มงคลชีวิตมงคลที่29การเห็นสมณะสมณานันจะทัศนงังเอตามังขลมุตตมังที่ชื่อว่าสมณะ เพราะระงับกิเลสทั้งหลายได้คำว่าเห็นหรือทัศนะได้แก่การเพ่งดูสมณนนั้นจึงชื่อว่าสมนานันจะทัศนังการเข้าไปหาการบำรุงการระลึกการฟังและการเห็นนักบวชทั้งหลายผู้ระงับกิเลสอบรมกายวาจาจิต และปัญญาแล้วประกอบด้วยความสงบอย่างสูงชื่อว่าการเห็นสมณะทั้งหลายลักษณะของสมณะ 1. ไม่ว่าร้ายผู้อื่น 2. ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 3. ผู้อยู่ในเพศบรรพชิต 4. รู้จักประมาณในปัจจสี4ห้ายินดีแต่ความสงัดวิเวกหกผู้หมดจดจากกิเลสทั้งปวงเจ็ดผู้ไม่ทำบาปทั้งในที่รับและที่แจ้งแปประกอบความเพียรในศีลสมาธิปัญญาวิธีปฏิบัติเมื่อพบเห็นสมณนะ หนึ่งสมณะทั้งหลายเป็นบ่อกเกิดแห่งบุญผู้ต้องการประโยชน์เมื่อผู้มีศีลมายังเรือนหากสิ่งของมีอยู่ก็พึงถวายตามกำลังหากไม่มีก็พึงกราบไหว้ด้วยเบญจางคับประดิษฐ์หรืออัญชลีน้ำมัสการหากไม่พร้อมก็พึงมองดูด้วยดวงตาที่น่ารักเพราะการทำเช่นนี้ จะทำให้ไม่เกิดโรคทางตา 2. หากต้องการฟังธรรมก็พึงนิมนต์ให้แสดงธรรมแล้วพึงเรียนโดยเคารพ 3. ทมธรรมพูดคิดกับท่านด้วยเมตตา 4. อุปถามด้วยปัจจัยสการเห็นสมณะ จัดเป็นมงคลเพราะ 1. เกิดความสงบใจ 2. ไม่เป็นโรคทางตา 3. ทำให้ได้บุญเป็นอันมาก 4. ยอมได้รับคำสอนให้เว้นชั่วทำดี 5. ยอมได้รู้วิธีดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญ